คงเคยบวดไหมตอนคนผมใหม่ๆนะเย็นเยือกเลยเหมือนเอาหัวแช่น้ำทั้งวันเล <c oughs> ย, ยโยโยดีขึ้นเยอะแล้วสมพงดีขึ้นนะใช้ได้แล้วใชได้ทั้งพิมพ์ส่งกันบ้านเล้วเดี๋ยวคนมาเยอะ <c oughs> ใครจะว่างไงพวกเราโยอย่าแกล้งทบนะ โยดูออกไหมพอเราคิดถึงการปฏิบัติปุ๊บเราเริ่มขยับข้างในนะให้รู้ทันตั้งแต่เริ่มขยับแนละอย่าลงไปแช่พอเราขยับเสร็จคล้ยๆจัดเวทีเสร็จเรจัดเวทีหรือจัดห้องเสร็จแล้วก็เข้าไปอยู่ข้างในดูออกไหมนะถ้ารู้ทันอีกหน่อยเหมือนไม่เข้าไปไม่เป็นไรนั่งตัดสบายแม่ใช้ยิ่งไปแล้วนะ จริงถ้าโยรู้ตรงที่ผิดนะรู้ว่าอย่างนี้ผิดอย่างนี้ผิดอย่างนี้ผิดไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวมันถูกเองอย่าไปทําตรงที่ถูกของโยที่มันทำแล้วลําบากตลอดเวลาอยูเนื้อไหมเพราะโยพยายามทําตรงที่ถูกรู้สึกไหมอยากทําให้ถูกอยากทําให้ถูกผิดหมดเลยพอขนาดที่ความอยากเกิดขึ้นน่ะมันกิเลสเกิดแล้วกิเลสมันเกิดขึ้นมาสติมันเกิดไม่ได้งั้นมันรู้ไม่ได้ทําไงก็รู้ไม่ได้ ไม่ว่าจะพยายามขนาดไหนก็รู้ไปได้เพราะฉะนั้นใจเด็ดๆนะอย่าทำตรงที่ถูกอย่าพยายามทํารู้สึกไหมยังพยายามไม่เลิกของโยกทางที่ผิดอนะ่ะมันมีสองอันสุดโตอ้อ่ะนะสุดโต้อันที่หนึ่งเผลอไปเผลอหกช่องทางได้รู้จักครบรนะึยังตาหูจมูกนิ้วใจใจเผลอทางใจนี่เนเผลอไปคิดนะเผลอใจลอยๆไป ลงอที่สองอสุดโตอันที่สอ ง, สอสองคือบังคับไว้ของโยติดอันที่สองนี่คือทันทีที่ตัณหาเกิดก็เกิดการบังคับในตอนที่บังคับเนี่ยพยายามจะให้สติเกิดยังไงก็เกิดไม่ได้เพราะขาานาดนั้นตัหายังมีอำนาจครอบงาใจอยู่ยังมีความจงใจทำอยู่กิเลสกับกุศลมันเกิดร่วมกันไม่ได้ ไม่ว่าโยจะพยายามทาสักเท่าไหร่ไม่มีวันทําได้เลยแต่ถ้าโยรู้ทันว่ามีมันใจมันอยากปฏิบัติมันก็ส่งจิตไปดูรู้สึกไห ม, มอยากปฏิบัติมันส่งจิตไปดูความอยากเนี่ยสวดตัณหากานที่ส่งจิตไปเนี่ยไปสร้างภพดูออกไหมะ้โยดูอยู่ตรงนี้นะจะไปหลงสร้างยังไงก็ไม่มีวันสำเร็จหรอก งันพยายามทำตรงที่ถูกนะไม่มีวันทำได้แต่ถ้ารู้ว่าจิตหลงสุดตรงสองข้างนะมันจะถูกเองอะ่ะเพราะว่าเราได้รู้ตามความเป็นจริงแล้วโยรู้สึกไหมพยายามทำใหญ่รู้สึกไหมว่าพอยิ่งพยายามเหมือนยิ่งเข้าไปคลุกวงในยิ่งไปมั่วซั่วอยู่ข้างในทะยักมานะรู้สึก สมพงศ์พ้างไงทำไมดูนุ่มๆสมพง์ไปทำอะไรมาล่ะอะนะมันมันพลาดจนนานเลยมันนุ่มไปหมดแล้วช่วงหลังๆ ห, หายไป มาวันไหนก็ขดเดยอะวันนั้นเนี่ยโยทำาีละงั้นสมพงก็ไม่ต้องไปพยายามทำให้ถูกนะไอความพยายามจะปฏิบัติแหละทำให้เป็นอย่างนี้เอาไปละดูออกไหมอย่าไปหลงความปรุงแต่งนะยังมาหลายครั้งรู้เรื่องอย่าง จรู้ได้ในแรกแต่พอัปปาถูกต้องคนระับแต่พอรึไปแล้วเนี่ยเราเราม่ันแ่้ที่เอ๊ะแล้วเราพายาที่ก้นว่าเราทำอะไรสัก่าเราขับรถเเราพยายามกเรารู้ตัวอยู่้วแต่พอักดิไปท่าน้นก็ร้มันซ้ซากไม่ได้กนินอ่ะต้อง ป, ปีคือ รู้สึกไหมว่าจงใจปฏิบัติอยากให้เกิดสติดู อ, ออกไหมอยากให้เกิดสติจงใจปฏิบัติไงทำไม่ได้หรอกแต่ถ้าขับรถอยู่เขาปาดหน้าแล้วโมโหรู้ว่าโมโหอย่างนี้ปฏิบัติได้ขับรถไปรู้สึกแม้ถนนโล่งเลยสบายใจรู้ว่าสบายใจอย่างในี้ใช้ได้ขับรถไปรถติดเต็มถนนเลยชั่วโมงหนึ่งแนละ้วยังอยู่ที่เก่าวชักหมุดหงิด หงิดรัวหงุดหงิดใช้ได้แล้วส่วนการแกล้งทำเนะียมันไม่ได้จริงนะได้แต่สมถะทําอะไรซ้ําๆอยู่ในอารมณ์อันเดียวได้แต่ความสงบงั้นเราฝึกอยู่ในชีวิตจริงๆนะจะยืนเดินนั่งนอนจะทําอะไรนะคอยรู้สึกตัวอย่าหลงอย่าเผลออย่าใจลอยไปตานมันต้องหลงนะแต่อย่าให้มันนาน เวลาดูก็หลงดูเวลาฟังเราก็หลงฟังเวลาคิดเราก็หลงคิดแต่อย่าให้มันหลงนานนะกอย่างนี้หลงคิดแล้วทราบมไห้แค่คอยรู้ทันนะหัดรู้จักสภาวะไปเรื่อยๆหลงคิดเป็นอย่างนี้หลงเพ่งเป็นอย่างนี้หลงหาเป็นอย่างนี้หลงประคองเป็นอย่างนี้ทำโพงหลงประคองให้รู้ไอ้ตกที่ผิดน่ะ ถ้าเมืไรจิตมันรู้จักสภาวะแล้วพอมันเริ่มประคองปุ๊บสติมันจะเกิดอ้าประคองละสติทำหน้าที่บอกเราว่าเกิดอะไรขึ้นสติไม่มีหน้าที่เอาไปเพ่งจ้องนะบาทีเราชาอากำหนดสติจ้องเอาเป็นเอาตายจ้องเอาเป็นเอาตายไม่ใช่หลักของวิปัสสนาให้เราคอยรู้ทันใจเรานะใจเรามันเศร้าหมองรู้ว่าเศร้าหมอง ง่ายๆนะจริ ง, รงๆเขา ง, ง่ายที่สุดเลยค่อยอ่านใจของเรานะแต่ว่าไม่ใช่นั่งเฝ้าไม่ใช่นั่งจ้องถ้านั่งเฝ้านั่งจ้องจะทำมาหากินไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราใช้ชีวิตปกตินี่แหล ะ, ะการปฏิบัตินี่ไม่ได้แยกส่วนออกจากชีวิตจริงๆนะอย่างแค่ดูหนังฟังเพลงก็ปฏิบัติได้อย่างดูหนังนะดูทีวีเห็นหนางเอกสวยใจเราชอบรู้ว่าชอบรู้ไปเมื่อกี้มันเฉยๆตอนนี้ชอบขึ้นมา พอเห็นผู้ร้ายเกลียดมั น, นกำลังชอบนางเอกอยู่หยกยกอพอเห็นผู้ร้ายเกิดความรู้สึกเปลี่ยนจาชอบเป็นเกลียดรู้ทันใจตัวเองเนี่ยใรู้ทันความรู้สึกเมื่อคิดของเราความรู้สึกของเราเปลี่ยนแปลงตลอดวันตามอารมณ์ที่มากระทบมีการกระทบแล้วมันก็เปลี่ยนฉะนั้นเราปฏิบัติอยู่ในชีวิตจริงๆการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่มุ่งที่จะแก้ปัญหาอย่างน้นอย่างนี้ ถ่าจิตใจของเราซึมเศร้าหลักของการปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ว่าหาทางทำยังไงให้หายซึมเศร้าถ้าหาทางอย่างนั้นไม่หายหรอกไม่หายหายก็หายชั่วคราวแต่ถ้าเราเป็นนักปฏิบัติจริงๆเนี่ยจิตใจเราเศร้าๆนะให้รู้ฐันว่ามันเศร้าดูลงไปความเศร้าเนี่ยเป็นสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในใจเราเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามา ใจของเราเนี่ยเป็นผู้รู้ผู้ดูเป็นคนที่ดูความเศร้าผ่านเข้ามาใจเราเป็นคนรู้ความรู้สึกอะไรผ่านเข้ามานะนแตถเป็นของถูกรู้ถูกดูทั้งหมดเลยเราทำความรู้สึกกับความรู้สึกทั้งหมดเลยความรู้สึกทั้งหลายเนี่ยให้เรารู้สึกลงไปรู้ทันว่าอะไรเกิดขึ้นรู้มันในฐานานาที่มันเป็นสิ่งแ ieder, ปลกปลอมเข้ามาชั่วคราวความรู้สึกทั้งหมดเลยจะผ่านมาแล้วก็ผ่านไป นีบางคนจิตใจเนี่ยรู้ไม่ทันมีอารมณ์บางอย่างผ่านมานะเราส่งจิตของเราเข้าไปเกาะมันไว้เพราะฉะนั้นมันจะเกาะ อ, อยู่ได้นานๆบางคนเศร้าได้หลายๆวันนะรู้โกรธได้นานๆแต่ถ้ามีสติรู้ทันเนี่ยมันเป็นของแปลกปลอมมาจิตเราหลงเข้าไปยึดเองพอเห็นอย่างนี้มันจะหลุดออกไปมันจะหลุดออกไปเองสิ่งแรกนะคอยรู้สึกตัวไหม เรอย่าลืมตัวเองคนในโลกเนี้ยไม่ค่อยรู้สึกตัวชอบรู้อย่างอื่นไม่ชอบรู้ตัวเองงั้นให้เราคอยรู้ทันตัวเองโดยเพราะรู้ทันใจตนเองแต่จิตเรามีธรรมชาติชอบหลงไปอย่างเห็นคนเดินมาเราไปดูเขารู้หมดเลยว่าผู้หญิงผู้ชายเด็กผู้ใหญ่ชื่อนั้นชื่อนี้บางทีรู้แต่ลืมตัวเองในขณะที่ดูเวลาตั้งใจฟังโยมรู้สึกไม่ตั้งใจฟังอ่ตมาพูดใช่ไหม รู้สึกไหมตอนที่ตั้งใจฟังเนี่ยเรามีร่างกายก็เหมือนไม่มีเราลืมมันไปเราจิตใจของเรามีความรู้สึกยังไงเราก็ไม่รู้ทันอย่างตอนนี้เรามีความตั้งใจฟังความตั้งใจฟังเกิดอยู่เราไม่เห็นรู้สึกไหมเมื่อแต่ตั้งใจลืมตัวเองคนในโลกเนี่ยจะลืมตัวเองทั้งวันเลยนั้นจะหลงไปอยู่กับความคิดเมื่อหลงไปอยู่กับความคิดคราวนี้ปัญหานาน า, นาชนิดตามมาละ ไม่สามารถหลุดออกจากโลกของความคิดได้ไปเวียนคิดซ้ำๆๆนะบางคนแค่คิดแต่เรื่องโกรธโกรธบางคนคิดแต่เรื่องเศร้าๆอะไรเงี้ยหรือจิตใจบางทีปล่อยใจลงไปแช่ซึมเศร้าไวให้คอยรู้ทันให้คอยรู้สึกตัวขึ้นมาใจเราหลุดออกจากโลกของความคิดนะพวกนี้จะหายไปหมดเพราะจิตที่รู้สึกตัวเนี่ยทุกข์ไม่ได้ไม่มีทุกข์จิตที่ มีความทุกข์ม่ใชจิตที่หลงจิตที่เพลอ่อย่างขณะ น, นี้อาจารย์ตั้งใจฟังอาตมาพูดทราบไหมรู้สึกไหมมีความตั้งใจฟังนะนะสังเกตไหมว่าฟังไปคิดไปไม่ใช่ฟังอย่างเดียวอะฟังสลับกับคิดดูออกไหมเนะนี่ยอาจารย์คอยสังเกตตัวเองไหยเวลาจิตมันไปฟังรู้ว่าไปฟังจิตมันไปคิดรู้ว่าไปคิดนะ ถ้าอาจารย์รู้ทานจิตไปคิดอาจารย์รู้ว่ามันไปคิดอาจารย์จะหลุดออกจากโลกของความคิดเลยความซึมเศร้าอะไรจะมีไม่ได้เด็ดขาดเลยเนี่ยหนีไปคิดอีกแล้วทราบไหมฟังไปคิดไปดูออกไหมคิดเยอะกว่าฟังอีกดูออกไหมค่อยๆสังเกตไปนะเดี๋ยวเราจะตื่นขึ้นมาถ้าเราตื่นขึ้นมานะอาการเศร้าหมองทางจิตใจอะไรจะหายหมดเลย นี่ใช่เรื่องยากอะไรศา ส, สนาพุทธเนี่ยสอนเราโดยตรงเลยเป็นาศาสตร์เป็นาศาสตร์อันนึงเกี่ยวกับเรื่องจิตใจของเราเป็นาศาสตร์ที่ว่าถ้าเรียนแล้วเนี่ยจิตใจจะไม่ทุกข์อย่างตอนเนี้ยรอฟังทราบไหมตั้งใจจะฟังอาตมาอยู่แล้วลืมตัวเองรู้สึกไหมเออนะใครรู้สึกตัวเรื่อยอย่าลืมตัวเองนานความทุกข์ทางใจทั้งหมดนะเกิดตอนเราเผลอเท่านั้น นี่เป็นศาสตร์ของศาสนาพุทธเราความทุกข์ทางใจเกิดตอนที่เราเสือเราขาดสติเราไปหลงอยู่กับความคิดถ้าเมื่อไหรเรารู้สึกตัวหลุดออกมาจากโลกความคิดได้นะจะทุกข์ทางใจไม่ได้เลหลือแต่ทุกข์ทางกายอาจารย์ลองสังเกตซิว่าระหว่างฟังกับคิดอะไรเยอะกว่ากันเนี่ยเนี่อตั้งใจฟังเนี่ยนะ การที่ตั้งใจฟังแล้วฟังรู้เรื่องนะก็คล้ายๆนักศึกษาฟังเลคเชอร์ฟังแบบพุทธเนี่ยฟังอีกแบบหนึ่งฟังแบบพุทธเนี่ยนะกำลังตั้งใจฟังรู้ว่าตั้งใจฟังรู้ตัวเองรู้ใจตัวเองแล้วฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรแต่ว่าจะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาเราเรียนเพื่อให้รู้สึกตัวไม่ได้เรียนให้รู้เรื่องนะ เราเรียนให้เกิดความรู้สึกตัวไม่ได้เรียนเพื่อจะให้รู้ธรรมะมากมายพูดได้เยอะแยะไม่ใช่เราเรียนเพื่อจะรู้สึกตัวขึ้นมาพอเรารู้สึกตัวเราจะหลุดออกจากโลกของความคิดพอเราหลุดจากโลกของความคิดความทุกข์ทางใจจะมีอยู่ไม่ได้เถอไปคิดอีกแล้วทราบไหมตั้งใจฟังเห็นไหมเนี่ยค่อยๆสังเกตตนเองนะสังเกตจิตใจของเราสังเกตไปเรื่อยๆไม่นานเราจะรู้เลยว่าใจิตใจเราเนี่ยวิ่งไปหาความทุกข์มาใส่ตัวเองได้ยังไง นีไปคิดอีกละทราบไหมไม่ต้องรอฟังนะให้อ่านใจตัวเองให้คอยรู้ทันจิตใจของเราตอนนี้จิตใจมาจดจ่อที่อาตมารู้สึกไหมให้รู้ทันว่าใจมาจอบอาตมาฟังธรรมะเนี่ยนะเพื่อให้รู้ทันใจตัวเองไม่ใช่เพื่อสิ่งอื่นเลยเพราะงั้นนั่งฟังไปเถอะฟังไปแล้วก็คอยรู้ทันใจตนเองไปเรื่อยๆมันไม่เหมือนฟังเลคเชอร์ฟังเลคเชอร์นะฟังเอาเนื้อหา แต่เนี้ยฟังเพื่อจะอ่านใจตนเองให้ออกเรากําลังฝึกอ่านใจตนเองนะงั้นวัตถุประสงค์ในการฟังไม่เหมือนกันนะวัตถุประสงค์ที่ฟังอาจารย์พูดตรงนี้นะฝึกอ่านใจตนเองนะคนละวัตถุประสงค์กับฟังเลคเชอร์ตรงนี้อาจารย์แยกได้ใช่ไหมอย่างฟังเลคเชอร์เนี้ยต้องตั้งใจฟังอาจารย์พูดนะเป็นลูกศิษย์ตั้งใจฟังอาจารย์พูดฟังแล้วก็คิดมีเคราะห์ทําความเข้าใจจดบันทึกอะไรเงี้ย ในกระบวนการฟังเลคเชอร์แต่กระบวนการฟังธรรมะเพื่อการปฏิบัติแล้วก็ฟังเพื่อจะรู้ทันใจตัวเองอย่างเนี้หนีไปคิดแล้วทราบไหมใจแวบไปคิดแวบไปเนี่ยมาตั้งใจอยู่ที่อัตมาอีกแล้วทราบไหม ส, ส่งจิตมาไว้ที่อัตมาสังเหตนไหมเห็นแต่อัตมาใช่ไหมลืมตัวเองรู้สึกไหมเ อ, อเราลืมตัวเองถ้าเม่ไรลืมตัวเองเมื่อนั้นไม่ได้ปฏิบัติธรรม การปฏิบัติธรรมเนี่ยคือการที่เรามีสติไม่ลืมตัวเองมีสติรู้กายรู้ใจรู้อยู่ที่กายรู้อยู่ที่ใจตัวเองจิตใจของเราจิตเคลื่อนไหวเรื่อยๆอย่างมาดูอาตมาจิตก็วิ่งไปอยู่ที่อาตมาลืมตัวเองฟังอาตมาพูดนะฟังไปคิดไปรู้เรื่องที่อาตมาพูดนะแต่ก็ลืมตัวเองอีกล้วลืมกายลืมใจตัวเองเนี่ยใจหนีไปคิดทราบไหม ค่อยๆรู้ทันอย่างนี้นะรู้ทันแล้วสังเกตหม่ใจเราค่อยๆตื่นขึ้นมาเราจะเรียนจนกระทั่งจิตของเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตของคนทั่วๆไปไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่เป็นจิตผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งผู้ทุกเนี่ยลืมตัวเองอีกแล้วรู้สึกไหมลืมกายลืมใจตนเองอีกแล้วใครกลับมารู้สึกตัวไ้ม กลับมารู้สึกอยู่ที่ตัวเองเราจะพาอ่านใจตนเองให้ออกจิตใจของเรามีพฤติกรรมนานาชนิดพฤติกรรมของจิตใจเช่นวิ่งไปดูวิ่งไปฟังวิ่งไปคิดมีพฤติกรรมนานาชนิดให้เรารู้ทันพฤติกรรมของจิตถ้ารู้ทันพฤติกรรมของจิตแล้วจิตจะวิ่งไปหาความทุกข์มาใส่ตัวเองไม่ได้เดี๋ยนี้หนีไปคิดและทราบไหมมีพฤติกรรมคือการคิด เอออย่างนี้นะยอยาให้รู้สึกตัวไว้อย่างเนี้ยรู้สึกเรื่อยๆแต่ตอนนี้เผลอไปคิดอีกละรู้สึกไหมเนี่ยน ее, น ее, ธรรมดาอย่างนี้ยสังเกตไหมตรงนี้ไม่ทุกข์รู้สึกไหมตรงที่รู้สึกธรรมดาเนี่ยไม่มีความทุกข์หรอกเพราะฉั้นรู้สึกตัวเรื่อยๆความทุกข์จะร่วงหายไปเลยรู้สึกตัวไว้อย่างเนี้ยนะรู้สึกเรื่อยๆตอนนี้ไม่รู้สึกตัวแล้วตอนนี้แอบไปคิดและวลืมกายลืมใจล้ว ใจสงสัยทราบไหมสงสัยแล้วก็โจนก็ไปคิดให้รู้ทันมันรู้สึกตัวไว้อย่างการรู้สึกเรื่อยๆนะเนี่ยเผลอไปอีกแล้วทราบไหมไม่ต้องพยายามนะอาจารย์เนี่ยตรงเนี้ยสบายรู้สึกไหมตรงที่ไม่ได้ทำอะไรเลยจิตใจของเราเนี่ยจะไม่มีความเครียดนะความเครียดหรือความทุกข์ทางใจเนี่ยเกิดจากจิตมันไปหลงทำงานเขาหนะลงปรุงแต่ง เนี่ยตอนเนี้หลงอีกแล้วทราบไหมเอ้ยอย่างนี้รู้สึกตัวอยู่ตรงนี้นะใจจะโล่งขึ้นมาเลยนะแต่ตอนเนี้ยเริ่มหลงไปคิดอีกละ้ะพอหลงไปคิดนะใจมันจะอัดเข้ามาบีบเข้ามาะความทุกข์มันจะเกิดไงคุณมาจากไหนคุณทั้งหลังออกมาด้วยกันเอาทีมคุณสันติใหญ่มากเลยอย่างเมื่อกี้อาจารย์หันไปดูเขาใช่ไหม าการสังเกตไหมเรารู้ผู้หญิงผู้ชายเรารู้ใช่ไหมแต่ตอนเราไปดูเขาเนี่ยเราลืมตัวเราเองเหมือนตัวเราหายไปจากโลกเลยอย่างตอนนั่งฟังอาตมาพูดเนี่ยเห็นอาตมาใช่ไหมรู้เรื่องที่อาตมาพูดใช่ไมแต่สังเกตไหมพยักหน้าเนี่ยไม่รู้เราจะลืมตัวเราเองดังนั้นหน้าที่ของผู้ปฏิบัตินะคอยรู้สึกตัวเรื่อยๆรู้สึก ร่างกายเราเคลื่อนไหวแล้วก็ค่อยรู้จิตใจของเราเคลื่อนไหวมีพฤติกรรมอะไรขึ้นมาให้เราค่อยรู้ไว้น้าโยมบุญเนี่ยใจลอยรู้สึกไว้น่าโยมหนูอย่าใจลอยนะ <c oughs> ใจมันหนีแปลกไปรู้เรื่อยๆดี ล, ละละนะดีขึ้นละ <c oughs> ก่อนหน้านี้ไปตกลุมบอนกับมันเยอะไปจิตมันเกิดโลภะนะอยากปฏิบัติมีโลภะ มีตัณหาก็เกิดการทำกรรมเกิดการทำกรรมทางใจจิตเลยเป็นทุกข์ไงโบเป็นไงโบเนี่ยอาจารย์สังเกตไหมเราไปดูเขานะเราลืมตัวเราเองลนะเหมือนเราหายไปจากโลกตัวนี้เข้าใจไหมวันๆหนึ่งนี้นะคนเราจะลืมตัวเองทั้งวันเลยเก็เห็นคนอื่นก็รู้ว่าใครมาได้ยินเขาคุยกันรู้เรื่องที่เขาคุยมีแต่ลืมตัวเอง นะได้กลิ่นดอกไม้หอมๆมัวแต่สนใจดอกไม้ก็ลืมตัวเองเองีกนั่งคนเดียวก็นั่งคิดไปเรื่อยๆรู้เรื่องที่คิดแต่ลืมตัวเองเองีกเราจะลืมความรู้สึกของเรารู้แต่เรื่องที่คิดไม่รู้ความรู้สึกของเราไม่รู้พฤติกรรมของจิตใจอย่างเนี้ยจิตใจหนีไปคิดแล้วสร้างไหมหนีไปหนีแว บ, บไปเดี๋ยหนีอีกแว บ, บหนึ่งรู้ออกไหม <c oughs> ค่อยๆดูไปนะดูสบายๆ ไม่คร่งเครียดในชีวิตจริงของคนเรามีความทุกข์เยอะอยู่แล้วเวลาปฏิบัติธรรมจะทุกข์เพิ่มขึ้นเห็นไหมโยทุกข์ไม่พอในชีวิตโยยังทุกข์ไม่พอโยอัดตัวเองขึ้นไปอีกดูออกสปล่าเออมันหนักขึ้น ม, มันหนักก็เพราะอุปาทานความยึดถือจิตมันเข้าไปยึดอารมณ์ รู้สึกตัวนะหนีไปละวเห็นไหมใจลอยรู้จักไหมนะใจลอยให้รู้ว่าใจลอยนะอาจารย์ลืมตัวเองไปแล้วรู้สึกไหมเดี่ยตั้งใจขณะที่ตั้งใจฟังอะลืมตัวเองไปและรู้สึกไหมนะเรามาฝึกเนี่ยไม่ใช่มาฟังให้รู้เรื่องนะแต่มาหัดรู้สึกตัวเองมาหัดอ่านใจตัวเองให้ออก เพราะฉนั้นจิตใจมีพฤติกรรมอะไรนะคอยรู้ทันมันเรื่อยเรือเรียกว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนศาสนาพุทธเนี่ยไม่เหมือนกับวิชาทางโลกโลกวิชาทางโลกเนี่ยเราหาความรู้ด้วยการฟังด้วยการอ่านด้วยการคิดการฟังการอ่านเนี่ยเรียกว่าสุดตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังการอ่านการรับการถ่ายทอดจากคนอื่น ปัญญาอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าจินตามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการวิเคราะห์การคิดการคิดหาเหตุหาผลเกิดปัญญาปัญญาจากการฟังแล้วก็การคิดเนี่ยไม่พอสําหรับการปฏิบัติมีปัญญาอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าภาวนามยะปัญญาปัญญาชนิดนี้เกิดจากการที่เรารู้สึกตัวแล้วก็ตามรู้พฤติกรรมทางกายทางใจของตนเองหนึ่งๆตู้บ่อยๆ ในที่สุดเราจะเข้าใจความเป็นจริงว่าร่างกายนี้มีความทุกข์ยังไงจิตใจทุกข์เกิดได้ยังไง <Yes. S 1> เราจะเข้าใจความเป็นจริง <Yes. S 1> เข้าใจความเป็นจริงเรียกว่าปัญญาเพราะเราจะทําตัวเป็นแค่ผู้สังเกตการเ์ดนั้นงนไม่ใช่ผู้ทําอะไรเลยเราเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูผู้สังเกตการสังเกตจิตใจของเราจิตใจแอบไปทําอะไรคอยรู้จิตนะ <Okay. S 1> ใจวิ่งไปวิ่งมาคอยรู้ทันเรื่อยๆ เห็ไหมไม่ได้ตั้งใจอย่างเดียวมีใจลอยแทกด้วยดูออกไหมหลุดไปคิดเรื่องอื่นก็มีะเนี่ยหีไปคิดเรื่องอื่นละเห็นไหมไม่ใช่เรื่องที่ฟังอย่างเดียวให้ค่อยรู้ทันเรื่อยๆใหม่ๆก็รู้สึกยากนิดนึงเพราะไม่เคยเราไม่เคยยากยากเราไม่เค ย, ย, ย, เเคยถ้าเคยแล้วไม่ยากนะปฏิบัตินี้จะมีความสุขตลอดสายเลยทันทีที่เกิดสติจิตจะมีความสุขทัน ท, ทีเลย เนี่ยเผลอไปอีกล่ะทราบไหมเนี่ยใจลอยอีกละแอบไปคิดไม่ต้องพยายามคิดไม่ต้องพยายามสังเกตงงทราบไหมงงเนี่ยให้คอยรู้ทันเอองงละแค่รู้ทันว่ามันงงอยู่ะให้คอยรู้ความรู้สึกอย่างเนี้ย